อุบายการพิจารณาของแต่ละรายนั้นแล้วแต่ใครจะแยบคายในทางใดทางปฏิกูลทางธาตุหรือทางใดที่เป็นเครื่องบรรเทาและกาจัดกิเลสตัณหาความลืมตัวย่อมถือเป็นความถูกต้องดีงามในการชันเป็นรายๆที่มีความแยบคายต่างกันขณะฉันก็ให้มีสติเป็นความเพียรไปทุกประโยค โดยสังเกตระหว่างจิตกับอาหารที่เข้าไปสัมผัสกับชิวหาประสาทและาธาตุขันในเวลากําลังเคี้ยวกลืนไม่ให้จิตกําเริบลำพองไปตามรสอาหารชนิดต่างๆอันเป็นความลืมตนเพราะความหิวโหวยที่เป็นไปด้วยอานาจของาธาตุขันที่กําลังบวกพร่องและต้องการสิ่งเยียวยาก็มีที่เป็นไปด้วยอานาจตันหาความดิ้นรนของใจก็มีอย่างต้นถือเป็นธรรมดาของขัน แม้พระอาหารหันต์ท่านก็มีได้เช่นสามัญธาตุทั่วไปแต่ยังหลังต้องคอยระวังสังเกตและปราบปรามขืนปล่อยไว้ไม่สนใจนำพาต้องทำคนให้เสียได้เพราะเป็นประเภทความอยากที่เป็นไปด้วยอำนาจตันหาน้ำไหลนองล้นฝั่งไม่มีเมืองพอดีผู้ปฏิบัติจำต้องมีสติปัญญาใกล้ชิดกับใจอยู่เสมอ เกี่ยวกับการขบชันทุกๆครั้งไปเพื่อใจจะได้มีความเคยชินต่อการพิจารณาและการรักษาตนในท่าต่างๆคือท่ายืนท่าเดินท่านั่งท่านอนท่าขบชันตลอดการทำข้อวัดปฏิบัติปัดกวาดต่างๆอันเป็นกิจของพระจะพึงทมไม่ปล่อยสติปัญญาอันเป็นประโยชน์แห่งความเพียรปราศจากใจ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 ท่านที่มีนิสัยชอบในทางนี้จึงชอบอดอาหารกันบ่อยๆบางครั้งอดแต่น้อยวันไปจนถึงทีละหลายวันคือครั้งละสองถึงสวันบ้างครั้งละสี่ถึงหวันบ้าง 5-6 ถึงวันบ้าง 9-10 ถึงวันบ้าง 14-15 ถึงวันบ้าง 19-20 ถึงวันบ้างบางรายอดได้เป็นเดือนไม่ฉันอะไรเลยก็ยังมีฉันเฉพาะน้ำธรรมดา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 แม้แต่จะหาถ่ายรูปเอาไว้เวลาเกิดความหิวโหยขึ้นมาจะได้ดูแม้ไม่ได้ฉันก็ยังไม่มีให้ถ่ายเลยไม่เหมือนปัจจุบันที่มีหรูราเสียทุกอย่างจนกลายเป็นความฟุ่มเฟือยมากกว่าอดอยากขาดแคลนคงจะเป็นเพราะเหตุนี้กระมังที่พระธุดงค์ขักรรมทานเราภาวนาตามท่านไปอย่างลําบากลาบนและบ่นกันอู้ว่าจิตไม่รวมไม่สงบแย่จริงๆแทบทุกแห่งทุกหน ความจริงก็จะให้สงบได้อย่างไรกันต้องขออภัยเขียนตามความจริงตอนเช้าไปบินธาบาตก็เต็มบาทกลับมาทั้งขาวทั้งหวานแถมบางครั้งมือหนึ่งยังหิ้วปินโตพอมาถึงศาลาปินโตก็วางเป็นแถวๆไม่ชนะที่จะรับประเคนคือรับประเคกนกันไม่หวัดไม่ไหวซึ่งล้วนแต่ท่านศรัทธาที่มุ่งต่อบุญกุศลอุตส่าห์แวกไหว้ามาจากที่ต่างๆ ทั้งใกล้ทั้งไกลทุกทิศทุกทางมาขอแบ่งบุญจากพระธุดงคกรรมมาานด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสให้ทานเท่าไรไม่กลัวหมดกลัวสิ้นเราแรงศรัทธาพาขวนขวายเพียงเท่านี้ก็แย่อยู่แล้วออกลางวันหรือตอนบ่ายตอนเย็นๆน้ำแข็งน้ำส้มน้ำหวานโกโก้ ก, กาแฟน้ำอ้อยน้ำตาลอะไรเต็มไปหมดก็มาอีกแล้วจนไม่ชนะจะฉัน และนอนแช่กันอยู่แบบนั้นพระธุดงจึงรวยใหญ่แต่ภาวนาไม่เป็นท่ามีแต่ความอืดอาดเนือยนายเหมือนเรือบรรทุกของหนักคอยแต่จะจมน้ำทั้งที่ยังไม่ได้ออกจากท่าดังนั้นท่านผู้มุงต่อฟังแห่งพระนิพพานท่านจึงระมัดระวังตัวอย่างเข้มงวดกวดขันไม่เห็นแก่ปากแก่ท้องความลาบากอิดโรยต่าง พยายามบักบันฟันฝ่าสิ่งกีดขวางต่อทางดำเนินมิได้นอนใจสิ่งของหรืออาหารปัจจัยแม้มีมากท่านก็รับแต่น้อยด้วยความรู้จักประมาณท่านที่อดนอนผ่อนอาหารหรืออดอาหารก็เช่นกันเป็นวิธีหนึ่งที่จะพาให้ท่านถึงความสงบสุขทางใจ รายที่ถูกจริตกับการอดอาหารอดไปหลายวันเท่าไรใจยิ่งสงบผ่องใสและขยบฐานะขึ้นสู่ความละเอียดโดยลำดับความสงบก็สงบได้ง่ายและเร็วกว่าธรรมดาเวลาออกคิดค้นทางปัญญาใจก็คล่องแคล่วก ล, ล, ล, ล้าวกล้าพิจารณาอะไรก็ทะลุโปร่ปโรงโล่งไปได้ดังใจหวังความหิ ว, หวโหยรยแรง แทนที่จะเป็นความลำบากทรมานทางกายทางใจแต่กลับกลายเป็นเส้นทางอนันราบรื่นชื่นใจต่อการดําเนินของท่านไปทุกระยะที่ผ่อนและอดอาหารเป็นคราวๆไปท่านที่มีนิสัยในทางนี้ท่านก็พยายามตะเกียกตะกายบําเพ็ญไปด้วยความอดอยากขาดแคลนแบบนี้ตลอดไปในท่้ำกลางแห่งความสมบูรณ์ด้วยปัจจัยสี่เราถือเป็นเครื่องอาศัย พ อ, อยังความเป็นอยู่ให้เป็นไปเป็นวันๆเท่านั้นสาระสำคัญคือธรรมะภายในใจท่านถืออย่างเอาจิงเอาจังเอาเป็นเอาตายเข้าประกันไม่ยอมลดละปล่อยวางตลอดไปนักภาวนาที่กล้าตายเพื่ออัฏถะเพื่อธรรมะต่อมรรคผลนิพพานจริงๆ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 นอกนั้นเป็นเวลาที่ท่านปลดเปลื้องกิเลสเครื่องผูกพันต่างๆออกจากใจอย่างไม่ลดละท้อถอยราวกับจะให้กิเลสพินาตขาดศูนย์ออกจากใจในเวลานั้นไม่มีอะไรเหลืออยู่เพื่อก่อกรรมทาเข็นแก่ท่านอีกต่อไปผู้มีนิสัยถูกกับวิธีนี้ท่านก็เร่งปฏิปทาไปในทางนี้ไม่ลดหย่อนอ่อนกาลังให้กิเลสในบรรดาที่ละได้แล้วได้ใจหัวร้อยะ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 ก็พยายามผ่อนให้กลมกลืนกับปฏิปทาเรื่อยไปไม่ยอมลดละไปตลอดสายจนสุดทางเดินหรือก้าวเข้าวัยที่อ่อนกำลังทางกายท่านอาจลดหย่อนผ่อนพั น, พนไปตามวัยบ้างผ่อนอาหารตามเคยบ้างสลับกันไปตามเหตุการณ์ที่เห็นว่าควรท่านที่เดินจงกรมถูกกับจริต พยายามทำความเพียรในท่าเดินมากกว่าท่าอื่นตลอดไปแม้จะมีท่าอื่นเข้าแทรกบ้างก็เพียงเพื่อเปลี่ยนอิริยาบถไปด้วยในตัวแล้วกลับมาท่าเดิมที่เคยเห็นว่าได้ผลมากกว่าท่าอื่นท่านที่ถูกกับการนั่งมากกว่าท่าอื่นก็พยายามทำความเพียรในท่านั่งให้มากกว่าท่าอื่นหากมีการเปลี่ยนบ้างก็เป็นคราว เพื่อเปลี่ยนอุรยาบทไปด้วยท่านที่ถูกจริตกับท่านอนมากหรือท่ายืนมากกว่าท่าอื่นก็ยอมประกอบความเพียรให้หนักไปในท่านั้นๆตามความถนัดของแต่และรายแม้สถานที่ทําความเพียรก็เช่นกันยอมเหมาะกับจริตเป็นยรไยไปบางท่านชอบได้กําลังใจจากที่โล่งๆอากาศโปร่งๆ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 ว่าได้กำลังใจดีก็มีต่างๆกันอย่างไรก็ตามท่านนักปฏิบัติที่มุ่งความเจริญแก่ตนยอมทราบจริตนิสัยของตนได้ดีและพยายามประกอบความเพียรตามอิริยาบถและสถานที่ที่เห็นว่าเหมาะสมกับจริตจิตใจไปโดยสม่ำเสมอไม่ให้ขัดต่อ น, นิสัยที่เห็นว่าชอบกับอิริยาบถและสถานที่ดีแล้ว